76. การรู้จักรู้แจ้งชาติของอธิจิตที่เป็นอัตตาสาดังนั้นส ก, กิทาคามีจึงแตกต่างกับเอกพีชีตรงที่หมายถึงมโนมยอัตตาอารูปะอัตตาอันเป็นขั้นปรมาธรรมคือหมายเอาจิตเจตสิกรูปนิพพานภายใน ต้องศึกษาปฏิบัติไปถึงความเกิดระดับโอกันติอ่านผู้ปฏิบัติต้องสามารถอ่านความเกิดของชาติขั้นจิตในจิตกันเข้าไปในภายในต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังงานขั้นธรรมนิยาม5อุตุพีชะจิต ก, กรรมธรรมะอย่างชัดเจนสัมมาทิฐิ และต้องเข้าใจความเป็นชาติหพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ7ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อนชาติหนั้นได้แก่ชาติสัญชาติโอกันตินิพพติอาภินิพพติซึ่งทั้งหชาตินั้น มีอาการลิงคะนิมิตอุเทศที่ต้องเรียนรู้ปริยัติที่เป็นอุเทศจากสัตว์ปรุหเสียก่อนแล้วจึงจะไปจับนิมิตเอาเองของตนของตนในจิตตนจากอาการนั้นๆของจิตเจตสิกรูปนิพพานที่ตนมีตนได้ตนบรรลุถึงจริง เท่าที่ตนปฏิบัติถึงขั้นนั้นๆของตนของตนทุกความเป็นชาติทั้งห้านั้นล้วนยังมีทุกตามธรรมะความทรงอยู่อันยังมีชาติแต่ละชาติที่ต่างกันนั้นๆอยู่ทั้งนั้นจึงต้องมาเรียนรู้ทุกที่มันมีชาติความเกิด อยู่ในธรรมะของตนของตนที่เรียกว่าธรรมชาติในธรรมชาติของจิตหรืออัตตาขั้นจิตนิยามจึงยังมีทุกมีสุขเพราะพลังงานจิตถึงขั้นมีนามขันสีแล้วโดยเฉพาะขั้นเวทนาซึ่งนับเป็นธรรมชาติขั้นจิตถ้ายังอวิชชาก็จะยังมีทุกมีสุข ด้วยความวิปลาสสามอยู่แน่อัตราเซลขั้นนิยามวิจิตกว่าอัตราขั้นพีชานิยามตรงที่พลังงานได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเวทนาจิตจยึยื้อตัวตนยิ่งกว่าพีชะและจิตนั้นหลงตัวตนอัตตายิ่งกว่าพีชะ อาตาขั้นจิตจึงเห็นแก่ตัวยิ่งกว่าพีชะเพราะยังอวิชชาจึงยังหลงโมหะดังนั้นจึงยังวิปลาสไปยิ่งกว่าพีชะจึงต้องศึกษาเรียนรู้ความเกิดชาติของจิตวิปลาสของตนให้มีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิก่อนอื่น จะได้ฝึกฝนความกำหนดหมายรู้สัญญาของตนลดความวิปลาสในอัตตาของตนลงไปจนหมดสิ้นความวิปลาสได้หมดเกลี้ยงอัตตาของตนจึงจะดีวิเศษจิตนิยามต้องเรียนรู้ความหลงในอัตตาของตน ซึ่งมีองค์ประกอบในความเป็นอัตตาของจิตนิยามนี้ถึงสามลักษณะได้แก่โอราริกะอัตตามโนมะยะอัตตาอารูปอัตตาแล้วศึกษาจิตของตนทำจิตของตนมะนิสิกรโรติให้เจริญเป็นอธิจิตขึ้นไปให้ได้ อัตราขั้นกิจนิยามจึงจะมีพลังงานพิเศษที่ไม่มีพลังงานชั่วไม่มีโทษแต่พลังงานกิจที่มีนั้นกลายเป็นพระวันติพลังงานดีไปอัตราใหม่จึงเป็นพลังงานเจริญหรือกำไรขึ้นมาอย่างวิเศษชัดไหม